ที่กำหนดปัจจัยของรูปนามทั้งหลายเนี่ยนะถ้ากำหนดจนสามารถพิจารณาปฏิจจสมุปบาทได้อย่างช่ำชองทั้งอนุโลมและปฏิโลมอนุโลมและปฏิโลมให้ชำนานเลยนะหรืออีกในหนึ่งก็สาธยายปฏิจจสมุปบาทเหล่านี้ลงในวาวรทั้งหให้ได้นะให้เห็นความเป็นไปแห่งกรรมวัฏเออขอหเห็น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 อาศัยหูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเนี่ยนภพเป็นปัจจัยจึงมีหูหูก็คือชาติชรามระโสกาปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตนั่นแหละมันอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมี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 อนะอาศัยลิ้นกับรสเกิดชิวหาวิญญาณความประชุมของธรรมสามประการเป็นภาษ า, าภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาเป็นปัจจัยจึงมีปาทานอุปาท า, า, านเป็นปัจจัยจึงมีพบพบเป็นปัจจัยจึงมีลิ้นลิ้นนั่นแหละเกิดขึ้นเรียกว่าชาติชารามรณาโซกัปริเทวะทุกโทมนัตและอุปาญาต อาศัยกายกับโพธพภาเกิดไม่ใช่ขอโทษอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีกายอาศัยกายกับโพธพภะเกิดกายวิญญาณความประชุมของธรรมสามประการเป็นพัสสะพัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมี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 ปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นชาติก็อย่างลงเมื่อชาติอย่างลงชรา ม, มรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตก็เกิดขึ้นด้วยประการอย่างนี้มันก็จะเห็นกระแสของสิ่งเหล่านี้ทีนี้ตาหูจมูกลิ้นมะกองเหมือนกองรวมกันแต่ก็แยกกันแยกกันทีละทวารทีละทวารเป็นไปอย่างนี้ใครที่กําหนดปัจจัยในลักษณะนี้ได้ก็จะเห็นการสามเลยนะอวิชชาเป็นปัจจัยจงึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัย อวิชากะสังขารเป็นเหตุในอดีตวิญญาณ น, นามรูปสลายยตนะัสสะเวทนาพวกนี้เป็นผลที่มีอยู่ในปัจจุบันตัณหาอุปาทานภพอันนี้เป็นเหตุใหม่ชาติชรามรณะต่อไปก็คือผลที่จะมีต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นอดีตตะเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุเพื่ออนาคตผลต่อไปเนี่ยนะก็ก็ทเหตุเพื่อสเสวยผล พอสมบูรณ์เสร็จก็มาทําเหตุต่อก็อยู่อย่างนี้ใช่ไหมเหมือนชาวนาเก็บมเมล็ดพันธุ์พืชแล้วก็ไปหวานลงหวานลงแล้วก็เพาะปลูกจนได้เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเอามาบริโภคบริโภคเสร็จเอ า, มาเมล็ดพันธุ์ไปหวานลงไปอีกสืบทอดประเพณีแห่งการทํานาก็สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยชันน้นใดก็ดีสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปวัตตน์นี่ก็ลักษณะนั้น ก็พากันทํากรรมไปเหตุผลเหตุผลผลเหตุเหตุผลเชื่อมโยงกันไปอย่างนี้เป็นประดุดลูกโซ่เป็นกลไกของสังสารจักรที่ไหลสืบเนื่องไปทีนี้มันไหลไปที่ไหนมันพากองทุกไปด้วยนี่สินะไหลไปที่ไหนก็ทุกที่นั่นสังเกตดูเอาคนรวมๆคนมากๆมารวมกันเนี่ยนะนะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าเนี่ยนะเนี่ยเป็นทุกข์กันะนะนะนะนะนะ ในเมื่อพิจารณาอย่างนี้อาจจะพิจารณาจากชรามรณะไล่มาก็ได้พิจารณาแบบทวนแบบลงจับตรงกลางจับตรงไหนโดยไม่สับสนอย่างนี้แล้วมาศึกษาเรื่องกรรมจะสนุกนะนะนะศึกษาเรื่องกรรมจึงจะสนุกพในวิสุทธิมรรคหน้า48ข้อ6กรกล่าวว่าพระโยคาวจรอีกผู้หนึ่งย่อมทำการกำหนดปัจจัยของนามรูปด้วยสา ม, มาถแห่งกรรมวัดและวิปากวัเอาและกิเลสไปไว้ไหนล่ะ เป็นตกหรือเปล่าอ๋อไม่ตกนะกิเลสอยู่ร่วมกับกรรมวัตนะนะด้วยควาสามารถแห่งกรรมวัตและกิเลสวัอและวิปากวัตรเพราะว่ากิเลสวัดก็อยู่ร่วมกับกรรมวัตแล้วอย่างนี้ว่าธรรมะห้าประการนี้คือความหลงในกรรมภพบก่อนเป็นอวิชชาแสดงว่าชาติที่แล้วก็ไม่ได้ฉลาดอะไรเนาะนะความหลงในสมัยชาติแต่เก่าแต่ก่อนก็โง่อย่างนี้แล้ไม่เห็นอริยสัต์เหมือนเดิมเนี่ยนะ เจตนาอันประมวลไว้ในกรรมมพบก่อนเป็นสังขารนะชาติที่แล้วก็ขยันทํากรรมเหมือนกันนะตั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่ขยันจังเลยความใคร่ความพอใจในพบก่อนเป็นตัญหาเออสมัยก่อนเราก็ไม่บกพร่องด้วยความต้องการนะแสดงว่าเป็นหิวทางความคิดตลอดความคล่องแวะในกรรมมพบก่อนเป็นอุปาทานเข้าไปแวะใช่ไหมสบายนั่นกัของเราอันนี้ก็เป็นเราอันนั่นก็เป็นของเราที่สบายเป็นอุปาทาน สันเจตนาในกรรมมพบก่อนเป็นพบเจตนาในพบก่อนมีอะไรบ้างรูปประสันเจตนาเป็นต้นที่ทําไว้ในพบก่อนเป็นพบทีนี้เมื่อกรรมมพบในพบก่อนมีอยู่สรุปว่าอาวิชชาสังขารตันหาอุปาทานพบในอดีตชาติมีอยู่ก็เป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิในชาตินี้นั่นแหละเรารู้เหตุแล้วใช่ไหมจึงได้มาเกิดเนี่ยเพราะอะไรจึงมาเกิด ก็เพราะมีอวิชชาสังขารตันหาอุปาทานมีพบนั่นแหละปฏิสนธิในชาตินี้พันปฏิสนธิในปัจจุบันชื่อว่าวิญญาณการยังสู่ครั้งแรกวิญญาณโอกาันติคเนเนี่ยนะในขณะปฏิสนธิการเนี่ยถือวิญญาณเป็นปัจจัยตัวแรกก่อนวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณทำทั้งสองก็เป็นปัจจัยกลับไปกลับมาอย่างนี้นะ เพราะเป็นอัญญมัญญะปัจจัยเป็ น, นปัจจัยที่สืบเนื่องกันไปพอวิญญาณเหล่านี้เป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะก็เป็นที่ตั้งแห่งผัสสะเพราะฉะนั้นปฏิสนที่นี้เป็นวิญญาณความก้าวลงสู่คันชีวานามรูปจริงกับพร้อมกันนั่นแหละภาษาถ้าเมื่อวิญญาณนามรูปเจริญเติบโตภาษาถ้าคืออยตนะก็เกิดเกิดขึ้นอ่ะนะ วิญญาณนามรูปอายตนะพอได้ประจบ ป, ประชมกันเข้าก็สภาวะที่กระทบการเป็นภาษาภาษะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาก็เสวยอารมณ์ชื่อว่าเวทนาเมื่ออุบัติภพนี้มีอยู่ย่อมเกิดขึ้นมาจากปัจจัยที่ทำไว้ในภพก่อนใช่หัหยวิญญาณนามรูปอายตนะภาษะเวทนาเนี่ยมันเป็นผลที่ทำเอาไว้ในอดีตชาติ เพราะอายตนะทั้งหลายในปัจจุบันนี้แก่รอบแล้วเห็นไแก่แค่ไหนฮะแก่แค่ไหนฟังไม่เข้าใจเอาใหม่ได้ดังๆหน่อยว่าไงเนี่ยมันแก่แค่ไหนเนี่ยอายตนะในปัจจุบันนี้มันแก่แล้วแก่แค่ไหนแก่พอที่จะมองเห็นได้เห็นไมมองเห็นเพื่อทำกรรมได้นะเพียงพอแล้วอะไรนะ อหูแก่แค่ไหนก็พอที่จะฟังเสียงได้จมูกแก่พอที่จะรู้กลิ่นลิ้นแก่พอที่จะรู้รสกายก็แก่พอที่จะกระทํากรรมรับโพธพภาได้ใจก็แก่พอที่จะคิดทําการใหญ่ได้นะทําการไหนบ้างก็ทํากายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่ออายตนะเหล่านี้แก่นะแก่รอบนะแสดงว่าไม่แก่ธรรมดานี่แก่พอใช้งานได้อายุเท่าไหร่ดีเฮ้ยมเริ่มทํากรรมมาตั้งแต่คลอดมาแล้วนะแวแววัจจิกกรรมก่อนนะ วจีกรรมมาตื่นแล้วก็กินกินแล้วก็หลับเนี่ยนะวัจีกรรมร้องใหญ่เลยนะหลังจากนั้นก็กายกรรมก็ตกุยตะกายน่าดูเลยนะมโนกรรมก็ไม่รู้เด็กคิดอะไรอยู่เนาะโตขึ้นมาเองเนี่ยนะก็เริ่มไปเที่ยวดูโน่นดูนี่ฟังโน่นฟังนี่เริ่มยืนเดินนั่งนอนกับเป็นไปแต่ว่าทุกอิริยาบถ ท, ที่เป็นไปเนี่ยไม่เห็นอริยสัจเหมือนเดิมใช่ไหมต อ, ตอนเด็กๆตอนเดินเบาะร่เบาะจําได้ใครระลึกได้ว่าตัวเองเคยเดินเนี่ยตอนนั้นเห็นอริยสัจไหม เออนี่ชาติยั่งลงแล้วเนาะนี่กองทุกขนะ์เรื่องเนี่ยฉันจะต้องรับภาระอะไรอีกมากมายในโลกนี้เนาะไงคิดอย่างนี้ไหมตอนนั้นนะจะเมื่อคิดไหมไม่คิดเลยนะตอนนั้นนะสนุกอย่างเดียวเนี่ยนะอันนั้นก็อร่อยอันนี้ก็น่าดูอย่างเงี้เพราะฉะนั้นเอกชาตินี้ก็ยังไม่เห็นอริยสัจตามเดิมเนี่ยนะพอเนี่ยลืมตาทั้งแต่มองเห็นมาเนี่ยดูมาเยอะแยะไปหมดแต่ไม่เห็นอริยสัจ คนแก่นี่เห็นอยู่แต่ไม่เห็นอริยสัจคนป่วยก็เห็นแต่ไม่เห็นอริยสัจคนตายก็เห็นแต่ไม่เห็นอริยสัจอันนี้แหละเขาเรียกว่าอวิชชาละนะหูก็ได้ยินเสียงนะว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายแต่ก็ไม่ได้ฟังให้มันเป็นอริยสัจสักทีหนึ่งนะไม่ตั้งใจฟังให้มันเป็นอริยสัจใช่ไหมจมูกก็รู้ว่ากลิ่นเนี่ยปฏิกูลเป็นต้นเนี่ยรสก็รู้นะว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นกายก็รับโพธาภาพปวดเมื่อยเป็นต้นก็รู้รู้ความแก่ความป่วย รู้นว่าเอิมตายเป็นแต่ก็ไม่เห็นอริยสัจอีกตามเดิมเนี่ยนี่เป็นลนักษณะของอวิชชาใจมันก็คิดไปคิดไปเรื่อยคิดอะไรนะีคิดด้วยอำนาจตันหาบั่งคิดด้วยอำนาจอาวิชชาบ้างคิดด้วยอำนาจโทสะบั่งเพราะฉะนั้นไอความหลงในชาตินี้เลยแหละคืออวิชชาหลงเลอะเลือนมากนะหลงก็คือเลอะเลือนอ่ะเลอะเลือนแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นทุกข์เป็นสมุทัยนิโรธมาก ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้กรรมไม่รู้ผลของกรรมไม่รับรู้อะไรสักอย่างเลยนะสรุปแล้วของเรารู้ไหมรู้ใช่ไหมว่าจักรคูวิญญาณเกิดจากกรรมรู้ไหมรู้รู้ใบ่อยไหมไม่ค่อยใบอนะแล้วอ้ที่เหลือไปรู้อะไรนั่นนก็คือบางทีนะเราก็ว่าเรารู้นะใช่ตอนฟังไม่เถียงทำไม คือฟังก็เข้าใจแต่ว่าตอนเลิกฟังก็คนละอย่างโยมเขาเล่าบอกออ้ยมันคนละบรรยากาศกันท่านตอนฟังธรรมกับตอนอยู่เนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยก็เหมือนกันคนละโลกกันเลยก็เหมือนนอ่ะก็แยกเอาก็แล้วกันแสดงว่าเก่งมากอยู่ได้ในโลกทั้งสองเหมือนกันเออธรรมะ ก, ก็ดีเอ๊ะทางโลกก็ไม่เลวเนี่ยก็อยู่ต่อไปก็แล้วกันดูว่าอะไรจะชนะเนี่ยนะแต่ว่าทางธรรมชนะแพ้อยู่แล้วแหละเชื่อเลยเพราะวันหนึ่งเนี่ยนะที่ฟังธรรมสามรอบมีอยู่ปีนี้นะบางที่เหลือเนี่ย เทียบเวลาสามรอบนึงมันก็เลยมันก็โอ้ทางทำเนี่ยแพ้อยู่แล้วเนี่ยนะอ๋อฟังเทพนะฟังเทพด้วยฟังทำด้วยเอาหมดอ่ะนะแต่ก็แหมถ้าเทียบกับฟังอย่างอื่นนี่ชั่วโมงห่างกันนักเลยนะถ้าเทียบกับฟังอย่างอื่นนะอาตั้งแต่เกิดมาเราฟังอะไรมากจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะ เอาของมาจะไม่เทียบชีวิตแค่วันเดียวเนี่ยนะเทียบตั้งแต่เกิดมาเลยจนถึงวันนี้ฟังอะไรมากที่สุดเงี้ยนะนะเว้ยของมานะ่ร้องเพลงในตังเยอะอ่ะแสดงว่าฟังเพลงมาก <c oughs> นั่นแหละความหลงทั้งนั้นนะ่ะนะเป็นอวิชาแต่แล้วเจตนาอันประมวลมาประมวลมาไหนประมวลอะไรมาประมวลชาติใหม่อ่ะนะนั้นเจตนาทางวจีกรรมทางกายกรรมมนโนกรรมเพื่อประมวลชาติใหม่ต่อไปอันนี้เป็น สังขารความทะเยอทะยานความใคร่ความต้องการเป็นตัญหาเคยมีความรู้สึกมาเบื่อเต็มทีแล้วพอแล้วที่จะเห็นต้องลืมตาที่จะเห็นอีกแล้วเนาะพอพอกันทีเห็นเลยมําชินมีบ้างหรือยังพอสักทีเลิกเห็นหน้ายกขวัญนนะ่ะพอแล้วอย่างเงี้ยมีไหมมีเป็นครั้งข่าวนะตอนที่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เนาะ บอกพอขันที่เริ่มเริ่มเห็นแล้วเลิกเห็นแล้อะไรก็เลิกเห็นหมดแล้วพอแล้วสีพอแล้วสีอนะแสดงว่าถ้าไอความไม่คําว่าพอนี้ไม่มีแสดงว่าที่เหลือตันหาหมดเลยเนะเออันไหนไหนหนมันเป็นยังไงขอดูหน่อยทีหนึ่งแล้วก็ไปเรื่อยแล้วกันนี่เรื่องยาวเลยนีนะบอกเสียงทั้งหลายพอแล้วพอแล้วเสียงเลยพอแล้วฉันจะเลิกฟังกันแล้วฉันเบื่อไกลเต็มทีแล้วเสียงเด้ยินทั้งหลายบอกเบื่อเต็มทีแล้วรถทั้งหลายอู้ยอาหารอร่อยมากอีกแล้วเนี่ยนะเบื่อเลิกเกินรถอร่อยเนี่ยนะ เบื่อแล้วเกินที่จะต้องรับผกระทบโภชภาพเบื่อแล้วเกินความคิดเมื่อไหร่ก็จะเลิกคิดสักทีหนึ่งยันจะเข้านิโรธสมาบัติแล้วจะดับให้หมดเลยอย่างนะเงี้นนะก็เคยคิดอย่างงี้บ้างไหมเมื่อไหร่จะเลิกดับมันสักทีหนึ่งนะอาจจะมีอยู่บ้างตอนนอนไม่หลับเนี่ยนะเมื่อไหร่จะหลับสักทีหนึ่งนะแต่ตอนธรรมดาตอนที่สุขภาพมันแข็งแรงนะไปเรื่อยเลยนะเก่งมากเลยนะคือทําเป็นเก่งมากนะจะที่ไหนได้นั่นแหละเป็นอะไร เป็นตันหาที่พอใจไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเนะีะเขบอกว่าท่านพระองค์จึงเปรียบตันหาเหมื่อะไรเหมือนทะเลไม่มีถมเต็มนะทะเลเนี่ยนะโอ้ยจะถมทะเลเอาน้ําไปเทให้มันเต็มทะเลให้หมดเลยนะเต็มไมเขาบอกมันก็ไม่เคยล้นฝั่งมันสักทีหนึ่งนะมันอาจจะซ่อฝั่งบ้างแต่ว่ามันไม่เคยล้นออกมาสักทีหนึ่งอยู่ว่างๆทะเลเนี่ยซัดมาจนถึงบ้านเรานี่เคยมีไหม มีทะเลมันก็เทผมไม่เต็มอ่ะนะมันก็ไหลจากแม่น้ํากี่สายกี่สายหน้าแรงหน้าฝนมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นไอ้ตันหานี่เป็นเป็นเหมือนทะเลสมุดคือตันหาเนี่นะความคล่องแวะเป็นอุปาทานใช่ไหมแหวะไปบอกนั่นของเราเที่ยวแวะชี้ไปเรื่อยใช่ไหมมีแม่บ้านคนหนึ่งนะเขาเขาคอยกับแมกับแนสพ่อบ้านอยู่ประจำอันนั่นก็ของชั้นนะอันั่นก็ของชั้นนะอันั่นก็ของชั้นนะก็เลย เธอก็ของชันนี่แหละว่าเธอต้องกลับไปแต่งตัวแบบนี้อย่างเงี้ยนะก็บอกกับเธอต้องนุ่งแบบนี้เธอต้องห่มแบบนี้เธอต้องโอ้ก็เลยนี่แหละวัตถามก็เป็ น, นี่ไปเที่ยวข้องแวะกับทุกเรื่องนะไหมไปข้องแวะกับรูปบ้างกับเสียงบ้างกับกลิ่นบ้างกับที่ต่างๆบ้างก็เลยแวะไปเรื่อยดูเหมือนก็นว่าเอ้ไม่ไไม่เห็นจะต้องรีบอะไรมากใช่ไหมเวลายังมีอยู่ ใชไมอีกลังหลายชั่วโมงกว่าจะค่ำนี้ใช่ไหมเขายังเที่ยวได้อีกต่ออีกหลายแห่งนี่นะก็ไปเที่ยวแวะไปเรื่อยแวะไปเรื่อยแวะไปเรื่อ ย, อยนี่แหละเป็นลักษณะของอุปปาทานอุปาทานข้องแวะแวะในรูปแวะในเสียงไปแวะในกล่นแวะในรถแวะว่าไงก็ที่มันแวะไปอย่างนั้นเพราะว่าเป็นเราเป็นของเราและก็เป็นอัตตาของเรานี่ย น, นะสว่วนเจตนาในชาติเนี่ยนะเจตนาในปัจจุบันชาติเนี่ย ก็เป็นกรรมภพเนี่ยนะวจีกรรมกายกรรมวัจีกรรมมนโนกรรมเนี่ยเป็นกรรมภพกรรมภพเหล่านี้ที่ทําอยู่ก็เป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิใหม่ในภพต่อไปเนี่ยนะภพต่อไปทิ้งสรีระนี้ก็ถือเอาสรีระอันใหม่ทิ้งจุติจิตอันนี้รีบถือเอาปฏิสนธิอันใหม่โดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาขั้นนะห้ามขวางเหมือนกันนอะไม่ต้องมีอะไรมาขวางสักอย่างเลยนะครับรีบถือเอาปฏิสนธิอันใหม่ ทิ้งวินามรูปอันนี้ก็รีบถือเอานามรูปอันใหม่ที่ไหนเนอะเนี่ยนะครับคิดเอาก็แล้วกันนะก็ตรวจเอาเนี่ยนะครับคําว่าคิดเอาก็คือตรวจเอาว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ตนกระทํานั่นแหละจะเป็นสมบัติแห่งตนแต่เพียงผู้เดียวแบ่งใครก็ไม่ได้สมมติถ้าเรามีนิ้วสิบอดนิ้วแบ่งคนอื่นได้ไหมใครที่มีเก้านิ้วก็เอานิ้วไปครึ่งแล้วกันนะ ของใครก็ของใครเนาะเอ้คนนี้เผือกสัขาวหมดเลยไปแบ่งไอ้คนผิวดําไปดำมาเอาไปแบ่งกันขาวๆมาแบ่งเป็นดําแบ่งไงี้ได้ไหมไม่ได้าผิวของใครก็ของใครนั่นแหละเออเจ้านี่มีฟันเกินไปอะ น, นี่เจ้านี่ฟันหลอเอาฟันคนนี้ไปใส่ใคนนั้นอันนี้ก็ไม่ได้ว่าถือว่าสมบัติเฉพาะตัวเฉพาะตัวกันจริงๆอ่ะนะไอ้คนนั้นสูงเกินไปนกักกระสูนตั้งร้อยเก้ไอ้คนนี้สูงแค่ร้อยห้าสิบเองยกนะแบ่งให้มันพอดีกันกันแล้วกันทําได้ไหมไม่รู้จะไปเล่ยกระดูกตรงไหนเอามาแบ่งกันอ่ะนะ มันทุกอย่างในโลกนี้สมบัติของตนของตนวุถ้าแบ่งกันได้ น, นะเปลี่ยนอะไรกันวุ่นวายไปหมด <c oughs> ทีนี้ก็มาดูแบ่งว่ า, านะอดีตเหตุเป็นปัจจัยแก่สรุปนะสรุปย่อๆก็คืออดีตเหตุ5เป็นปัจจัยแก่ปัจจุบันผลหปัจจุบันเหตุหเพื่ออนาคตต่อไปอีก5ประการเพราะเหตุนั้นมีสิ่งนี้จึงมีเพราะเหตุนี้เป็นปัจจัย สิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นก็ไล่ไปอย่างนี้นวันแล้ววันเล่าพบแล้วพบเล่าในกรรมวัดและวิปากวตดนั้นชื่อว่ากรรมมีสี่ประการเนี่ยนะเข้าเรื่องกรรมแลยนะว่าไอตัวที่มาเชื่อมเหตุกับเชื่อมตัวเหตุที่มันให้มีผลทําเหตุใหม่เพื่อให้มีผลต่อไปเนี่ยไอตัวเหตุนี้เรียกว่าเป็นกรรมเน้นเอาสังขารกับกรรมมพบเนี่ยมากล่าวเป็นหลักกรรมนี้ก็แบ่งออกเป็นสี่อย่างหนึ่ง กลุ่มที่หนนะที่จะทำเวชนียกรรมกล่มที่สองอุปชาวเวทนียกรรมกลมที่สาอัปราปราเวทนียกรรมที่4อโหสิกรรมในกรรม4อย่างนั้นก็พูดถึงสมมติว่าหนึ่งคำพูดที่เปล่งออกไปเนี่ยชาวนะจิตเกิดประมาณ7ดวงหนึ่งคำเนี่ยนะอันนี้คิดแบบคร่าวๆนะวันนี้พูดกี่คำนั่นล่ะ่าใช้ชาวนะไปเท่านั้นนะของมานี่มากกับเพื่อนหน่อยแต่โยมก็ไม่เบานะสวดมนต์ตั้งเยอะกันนะก็เป็นชาวนะใช่ไหม แล้พูดอย่างนี้กรรมมันนั้นให้ผลนี่ยิ้มแป้เลยนะอยากให้มันให้ผลอยู่เหมือนกันอย่างงี้ก็ตั้งใจสวดมนต์สรรเสริญพระพุทธคุณสังคคุณอย่างนี้ก็อยากมันให้ให้ให้อยากให้มันให้ผลอยู่เหมือนกันอย่างนี้นะก็แสดงว่าสรุปว่าทำบัจจีกรรมกันทวนหน้าอนะทีนี้ถ้าถ้าคิดแบบง่ายๆว่าหนึ่งคำที่เราเปล่งออกไปนี่หนึ่งชวนะอะคิดว่าหนึ่งชาวนะก็มาผ่าวเป็นเจ็ดเหมือนมันนิ้วเจ็ดนิ้วเนี่ยนะชาวนะที่หนึ่ง ชาวนะดวงแรกกุศลก็ตามอกุศลก็ตามชื่อว่าทิฏฐธรรมะเวชนยกรรมก็คือทิฏฐธรรมะเวชนยกรรมดังที่กล่าวว่าทําในตอนเด็กให้ผลในตอนเด็กตอนกลางคนและปลายคนถ้าทําในตอนกลางคนก็ให้ผลตอนกลางคนและปลายคนทําในตอนปลายก็ให้ผลตอนปลายนะนะท่านหลายๆเรื่องที่ทําไว้ตอนเด็กๆของมาก็เริ่มมารับอยู่หลายเรื่องเลยเหมือนกัน ก็ทิฏฐธรรมะเวชณิยกรรมนะห ล, ลายเรื่องนะที่เราทําไว้ในชาตินี้นี่มันให้ผลเหมือนกันนะหลายเรื่องจริงๆนะวิบากที่เรารับแต่ละอย่างนะี่สาวไปหาเหตุได้เกือบทุกอย่างเลยสาวไปหาเหตุไอ้ที่ทําตั้งแต่เด็กๆมานี่แหละไม่ต้องไปที่ไหนหรอกเนี่ยหลายเรื่องเลยว่าจะเห็นนะเออทำเหตุไป้ะเนาะนะนทั้งดีทั้งชั่วนะทั้งดีทั้งชั่วเพระะนันก็วิบากก็ได้รับทั้งดีและชั่วเหมือนกันเนี่ยนะเดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็ชั่วบ้างเพราะตอนทำนี่ก็ไม่ค่อยเลือกนะ เจอดีก็ทําเจอไม่ดีก็เอาอย่างเงี้ยวิบากก็เลยรับทั้งดีและไม่ดีพรัะให้ผลในชาตินี้เรียกว่าทิฏฐธรรมเวชนิยกรรมถ้าไม่อาจจะให้ผลในชาตินี้ได้เป็นอาโหสิกรรมเหมือนเขามีเงื่อนไขว่าต้องมารับวันนี้นะถ้าไม่รับวันนี้แกเลิกเอาเลย น, นะตัดสิทธิ์อย่างเงี้ยนะตัดสิทธิ์อโหสิกรรมลักษณะตัดสิทธิ์นั่นเองเชื่อว่าอาโหสิกรรมเนี่ยนะตรงนี้แปลไม่ดีแปลใหม่หน่ยนะว่ากรรมมีแล้ววิบากไม่มีแล้ว หมายคือว่าอย่างเช่นทิฏฐธรรมดวงที่หนึ่งของอดีตชาติเนี่ยนะกรรมมีแล้วใช่ไหมแล้วมันไม่ได้ให้ผลล่ะก็คือว่ากรรมมีแล้วดวงที่หนึ่งมีแล้วแต่วิบากไม่มีอะนะเพราะไม่ไม่ใช่ว่าดวงที่หนึ่งจะต้องให้ผลครบหมดแม็กหมดนะไม่ใช่อ่านะบางทีถ้าไม่มีโอกาสมันก็ไม่ได้โอกาสให้ผลเพราะฉะนั้นกรรมมีแล้ววิบากไม่มีแล้วข้อที่หนึ่งนะ ข้อที่สองกรรมมีแล้ววิบากจักไม่มี น, นะนะกรรมเนี่ยทำไม่แล้วหรอกแต่วิบากเนี่ยไม่มีหรอกแล้วก็กรรมมีแล้ววิบากไม่มีอยู่คือทิฏฐธรร ม, มะเวชนิยกรรมเนี่ยนะชาวนะดวงที่หนึ่งเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามองเป็นอดีตใช่ไหมกรรมทาไว้แล้วแต่วิบากไม่ได้มีหรอกเพราะไม่ได้ให้ผลเลยอย่างว่าวิกรรมเนี่ยทำไม่แล้ววิบากก็จักไม่มี กรรมที่ทําไว้แล้ววิบากไม่มีอยู่อันนี้พูดถึงเฉพาะเหตุคือดวงดวงที่หนึ่งเท่านั้นนะดวงที่หนึ่งเพราะดวงที่หนึ่งเงื่อนไขาการให้ผลต้องให้ชาตินี้ชาติเดียวจะให้เกินชาตินี้ไม่ได้เพราะเขามีสิทธิ์ให้แค่ชาตินี้เขาไม่มีสิทธิ์ให้ชาติอื่นนะเนี่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่สามารถให้ได้ในชาตินี้ชื่อว่าเป็นอโหสิกรรมตามหลักปฏิสัมพิทาว่ากรรมมีแล้ว วิบากไม่ ee, ม, มีแล้วคืออโหสิกัมมังนามะนาโหสิกัมมะวิปากโกนะแปลว่ากรรมมีแล้วนะอโหสิกรรมังนามะเนี่ยนะกรรมมีแล้วนาโหสิวิปากโกวิบากไม่มีแล้วนะก็เป็นอดีตการกรรมก็อดีตวิบากก็เป็นอดีตกรรมเนี่ยมีแต่วิบากไม่มีอย่างที่สองโหสิกัมมังนพวิสติกัมมะวิปากโกอโหสิกัมมังเนี่ยนะแปลว่ากรรมเนี่ยมีแล้วละ ณนะพวิสติกัมมะวิปากโกวิบากจกไม่มีเพราะฉะนั้นกรรมได้ทําไว้แล้วแต่ว่าวิบากไม่มีต่อไปในอนาคตเพราะว่าหมดกติกาใช่ไหมเพราะกติกาของทิฏฐธรรมให้ผลได้เฉพาะชาตินี้ทีนี้อโหสิกรมมังนัติกัมมะวิปากโกอโหสิกรรมังก็คือกรรมเนี่ยทำไว้แล้วล่ะนัติกัมมะวิปากโกอันนี้ปัจจุบันไม่ใช่มีอยู่นะหมายความว่าไม่มีโอกาสให้ผลเลยในปัจจุบันนี้ อันนั้นอันนี้แหละหลักขององโหสิกรรมคือเป็นอย่างนี้หมเพราะว่ากรรมเนี่ยได้ทําไว้แล้วละ่ะแต่ไม่มีโอกาสให้ผลเลยในการสารอันนั้นในอดีตเช่นทําไว้แล้วก็ไม่มีโอกาสให้ผลเมื่อก่อนอนาคตต่อไปหรือขณะนี้กรรมเหล่านี้ก็ไม่มีโอกาสให้ผลอันนี้เรียกว่าเป็นอโหสิกรรมอโหสิกรรม ทีนี้เจตนาดวงที่7นะเจตนาในชาวนะเดียวกันนี่แหละแต่เป็นดวงที่7ให้สาาํ า, เ ร, ราสเร็จความต้องการนะี้ชื่อว่าอุปชาเวทนิยกรรมคําว่าที่สําเร็จความต้องการอธิบายว่าที่ยังผลมีการให้ทานเป็นต้นแล้วมีปานาติบาตเป็นต้นแล้วให้สําเร็จแล้วคือหมายความว่าชาวนะดวงที่7ที่สําเร็จมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา หรือว่ามีการทําปาณาติบาตอธินนาทานการมีสุมิช า, าจานเป็นต้นเนี่ยนะไอชวนะดวงที่เจ็ดตัวนั้นนี่แหละเรียกว่าอุปัชาเวชนียกรรมอุปชาเวชนียกรรมนั้นย่อมให้วิบากในอัตภาพถัดไปก็คือชาติหน้าแสดงว่าถ้าถ้าชาติที่แล้วที่ผ่านมาดวงที่เจ็ดของชาติที่แล้วเฉพาะดวงเดียวนะที่ให้ผลชาตินี้แต่ถอยหลังชาติที่สามเป็นต้นไปเนี่ยนะ อันนั้นดวงที่สองถึงดวงที่หมาให้ผลชาตินี้เพราผันถ้าใครร้องเรียกเอาผลบุญผลบาปชาติที่แล้วนะร้องเอาได้เฉพาะดวงที่เจ็ดชาติหน้านะถ้าเราจะให้ผลตายจากชาตินี้เกิดชาติใหม่นะให้เฉพาะดวงที่7็ดนะแกมีสิทธิใช้เฉพาะดวงที่ 7. เจ็ดนะกติการนี้ไม่รู้ใครตั้ ง, งใครตั้งคุณเิราวัน เรียกว่าเป็นกรรมนิยามเป็นเป็นนิยามของกรรมนนะธรรมดาของกรรมมันเป็นอย่างนี้แหละเหมือนจิตตนิยามอุตุนิยามพีชนิยามใครมาสั่งให้ฝนตกแล้วใครบอกเลิกให้เลิกตกนี่นะแล้วดอกทานตะวันใครสั่งให้มันหันหน้าไปทางที่ตะวันออกอันนี้พวกนี้เป็นพีชนิยามพวกนี้เป็นนิยามเป็นธรรมนาแล้วใครสั่งให้แก่ทั้งๆ้งที่ไม่อยากจะแกะ่เนี่ยนะก็ธรรมนิยาม น, นี้เป็นธรรมนิยาม ว่าพวกนี้ไอ้นิยามเหล่านี้เนี่ยไม่มีใครมีอํานาจอะไรหรอกทีนี้ถ้าหากว่าสมมติว่าดวงที่เจ็ดนะสมมติไม่มีโอกาสให้ชาติหน้าสมมุติาชาติหน้ามีมีสมมติทําทบุญทําบาปไว้เยอะแยะไปหมดเลยชาติที่หน้ามีอายุอยู่แค่สองวันนะดวงที่เจ็ดหมดสิทธิ์ให้ผลเลยหมดสิทธิ์ให้ผลน่าจะดีนะ โอถ้าทําบุญไว้เยอะๆแล้วไม่ให้ผลนี่ น, ะน่าเสียดายนะดวงที่เจ็ดอดเลยนะพีชไม่ได้ปริณิผ่านเนะี่ยยังเสียดายผลบุญอยู่ <c oughs> อุตส่าห์ทำบุญไว้เยอะๆนะ่าจะได้มีส่วนบ้างไนหะ <c oughs> สละหมดแล้วนะทีนี้ถ้าไม่มีโอกาสให้ผลก็เป็นอโหสิไปคือเปรียบเหมือนอย่างว่านะ ทำงานหนึ่งครั้งนะมีสิทธิ์เบิกได้เฉพาะวันนี้วันเดียวนะนะก็บอกแล้วก็บอกถ้าไม่เบิกวันนี้นะเฉพาะเรื่องนี้ตัดสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งเขบอกว่าคุณเบิกได้เฉพาะวันพรุ่งนี้นะเรื่องนี้คุณจะเบิกวันนี้ก็ไม่ได้ไปเบิกวันหลังนั่นก็ไม่ได้เบิกได้เฉพาะวันพรุ่งนี้ถ้าไม่เบิกตัดสิทธิ์นะนะแต่ถ้าเป็นบาปนะอยากให้ตัดสิทธิ์อย่างนี้บไวๆสิทธิ์อันนี้ไม่อยากได้เลยเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าคดีนี้นะถ้าจับภายในวันนี้ได้ก็ถือว่า าราไปนะถ้าจับไม่ได้ก็แล้วไปบางคดีบอกต้องจับภายในพรุ่งนี้ถ้าจับก่อนวันนี้ก็ไม่ได้จับหลังก็ไม่ได้นนถ้าอย่างนี้รอดนะสบายไปแต่ว่าเนี่ยตัวที่มันน่ากลัวมากคือเนี่ยเจตนะตรงกลางนี่แหละดวงที่สองถึงดวงที่หนี่แหละเรียกว่าอ่ะราประเวชนิยกรรมนี่นะนี่ยนะอ่สองถึงหนะดวงที่สองถึงดวงที่หกห้าดวงนี้เป็น อราพระเวชนียกรรมอราพระเวชนียกรรมนั้นย่อมให้วิบากในเวลาที่ได้โอกาสในอนาคตเมื่อยังมีความเป็นไปในสังสารวั t มีอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นอโหสิกรรมเรื่องนี้ไม่มีคำว่าเลิกราไม่มีคํำว่าเลิกรา เพราะฉะนั้นเมื่อล้านล้านโกรธกลับที่แล้วนะเขาก็ไม่ลืมเราหาโอกาสอยู่เสมอหาโอกาสที่จะให้ผลอยู่เสมอเช่นะอาจจะให้ผลเป็นทวีปัญจ ก, ก็ได้ให้ผลเป็นปฏิสนธินําเกิดในพบใหม่ก็ได้พันพวกสัตว์นรกเปรตอสุรกายเดรฉานจึงมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เพราะอปาปราประพระเจตนาเนี่ยเป็ น, นใดเช่นอโศกตายจากนกตายจากปลวกตายจากปลาแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เนี่ยนะ ไม่ใช่กรรมที่ทําในชาติเป็นปลวกเป็นมดอะไรหรอกแต่อปริปราภะเวชนิยกรรมเมื่อเป็นแสนแส น, แสนโกดกับที่แล้วไปฉุดมาไปฉุดมานําเกิดเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยถ้าหากไม่เนี่ยพร้อมที่จะเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้เพราะพวกนี้ชีวิตอยู่ด้วยความหลงใช่ไหมมันอาโหสิกเขาบอกว่าเหมือนกับว่าปล่อยปล่อย สมมุติว่าถ้าเป็นบาปเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าปล่อยศัตรูเ้าบอกว่าภารกิจคือฆ่าคนนั้นฆ่าเมื่อไร่ที่ไหนจัดการได้เลยตอนนี้เขาเรียกว่าตามล่าล้างโดยที่ไม่มีเลิกเลิกราเนี่ยนะไม่รู้จักเลิกราก็ตามเข็นตามฆ่าถ้าพูดแบบฝรั่งก็บอกเฮ้ยไ้ารู้ว่ากระดูกอยู่ที่ไหนก็ไปขุดเอามามจะได้ปร ะ, ประนามไ ด, ได้ประจานเขาว่ากอนเขาบอกว่า ฝรั่งนี่มีอะไรคิดแปลกๆเงี้นนะเขามาเคยอ่านหนังสือบางอย่างของอเมริกาเนี่ยนะเําำๆถึงทุกวันนี่เลยเขาก็มีการประกาศตามไล่ล่าโจรเนี่นยนะเามีอะไรของเขาเยอะแยะไปหมดเลยนะมีรูปแบบที่แปลกๆล <cloud screen. S 2> นะนานว่าเออเนี่ยในโลกนี้นนกติกาเหล่านี้ยังมีอยู่แล้วในโลกของกรรมละ <c oughs> ทีนี้มาขึ้นกรรมอีกกลุ่มหนึ่งกรรมกลุ่มที่เนื่องด้วยปฏิสนธิเนี่ยนะ กรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วยปฏิสนธิก็คารุกรรมภูรุกรรมอสันกรรมและกตัตาวาปนกรรมในกรรมสี่อย่างนั้นกรรมเป็นมากุศลก็ตามเป็นอกุศลก็ตามบรรดากรรมหนักและกรรมไม่หนักทั้งหลายกรรมใดหนักได้แก่กรรมมีการอนบาปก่อนก็คือการฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระหัต์ทำโลหิตพระพุทธเจ้าให้ห่อทำสังกเภทให้แตก อันนะั้ถ้ามีกรรมตัวนี้อยู่นะกรรมตัวนี้จะนําเกิดอย่างพระเทวทัตเนี่ยนะกรรมที่ท่านทําสังกเกตเทศทำสง์ให้แตกแยกกันนําเกิดเพราะว่าพระเทวทัตเนี่ทําอนันติกรรมสองอย่างคือทําเลือดพระพุทธเจ้าให้ห่อกับทําสงให้แตกกันนั้นกรรมที่นําสงทําสงให้แตกกันเนี่ยทำให้พระเทวทัตนําเกิดในอเวจี มหักคตะกรรมที่ท่านทำไว้นะท่านได้ฌานสมาบัติก่อน<ม>หน้านี้เป็นอโหสิหมดเลยหมดสิทธินะนะไม่มีโอกาสให้ผลเหมือนว่าซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะพอรู้ว่าถูกก็ตายอย่างเงี้ยตายใช่ไหมไใช้อะไรสักอย่างกันนะแต่ถ้าเพราะผู้ที่ทำาอ น, นันตริ ก, กรรมไปแล้วเนี่ยนะฌานเนี่ยเสื่อมไปนานแล้ว สรุปว่าถ้ามีคารุกรรมเนี่ยนะทั้งฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วก็ตามคารุกรรมจะนําเกิดก่อนสมมุติถ้าเกิดมาคนทั่วไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพาระอรหันต์ทําเลือดพระพุทธเจ้าให้ห่อทำสงฆ์ให้แต่กันเนี่ยนะจะต้องกรรมเหล่านี้นำเกิดถ้ามีกรรมเหล่านี้นะแต่ถ้าฝ่ายผู้ที่ได้ฌานอภิญญาเนี่ยนะถ้าได้ฌานเนี่ยสมมุติถ้าได้ฌานหนึ่งถึงแเป็นต้นเนี่ยฌานที่สูงที่สุดจะเป็นตัวนําเกิดฌานที่สูงที่สุดโดยมากจะเป็นตัวนําเกิด เว้นแต่พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านสามารถมีวิธีการโดยที่ไม่ต้องให้อารูปฌานนำเกิดพิเศษเพราะเฉพาะพระโพธิสัตว์นะเฉพาะพระโพธิสัตว์ยังไงเนี่ยท่านได้สมาบัติแปดจริงแต่ท่านไม่เลือกเกิดในอารูปฌานเพราะท่านมีวิธีของท่านน่นะท่านมีวิธีของท่านโดยที่ไม่ต้องไปเกิดในอารูปฌานเนี่ยนะอย่างเหมือนกับในชาดกอยู่เรื่องหนึ่งใช่ ชาดกเรื่องนี้ที่กล่าวถึงว่าอาจารย์คนหนึ่งอาจารย์ที่เป็นฤาษีเนี่ยมีลูกศิษย์เยอะมากก็มีหัวหน้าลูกศิษย์คนหนึ่งที่ไปที่เมืองอื่นระหว่างที่ศิษย์ผู้ใหญ่ไปที่เมืองอื่นศิษย์ผู้ก็มีแต่ศิษย์เด็กๆเนี่ยอยู่อุปถัมม์อยู่อุปถามอาจารย์อยู่วันหนึ่งอาจารย์ก็ป่วยตายก่อนจะตายพวกศิษย์ทั้งหลายก็ไปเวียนเฝ้าๆใกล้ๆอาจารย์ก็ถามอาจารย์ครับอาจารย์ได้คุณทำอะไ ร, ร ะพระสองฆ์องค์เจ้าทั้งหลายที่บวชเข้ามาเนี่ยบวชมาพระคุณเจ้าบวชมาสิบยี่สปีเนี่ยท่านได้อะไรบ้างาถามนี้ก็หนักใจเหมือนกันใช่ไหมเคยมีคนถามนี่นี่คุณยายศึกษาธรรมะมาตั้งหลายปีย่ได้อะไรไปบ้างพิตายะ ต, อ, ตอบว่างไงก็กำลังศึกษาอยู่นนะอะไรนรู้อริยสัจอย่างงี้ยนะนี่ทุกข์นะรู้รูปนาำขันหน้าอย่างเงี้่ะ รู้ว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามเนี่ยนะได้หลานจะขา ม, มากเลยอะไรรูปอะไรนาะมแล้วก็หาคำตอบดีๆหน่อยนะให้มันสมกับคำสั่งเสียหน่อยนะนี่ก็ลักษณะเดียวกันเพราะฉนอาจารย์ก็เลยบอกว่าโอ้ยไม่มีอะไรหรอกเนี่ยนะอาจารย์เนี่ยนะอาจารย์ที่เป็นฤาษีก็ตอบแบบตอบแบบคนได้ชานนะท่านะนะบอกว่านัติกินจิอะไรก็ไม่มี อะไรก็ไม่มีหน่อยหนึ่งก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็เลยตายไป น, นะแต่ว่าท่านตายแล้วไปเกิดในรูปประพรมคือท่านมีวิธีการโดยที่ทําฌานที่เป็นอรูปฌานให้เสื่อมแล้วท่านก็ได้เฉพาะรูปฌานรูปฌานก็นําเกิดในพรหมโลกรูปประพรมทีนี้สิทธิ์ผู้ใหญ่ก็มาถามมาอ า, อาจารย์ไปไหนบอกอาจารย์ตายแล้วเนอะทิ้งไว้แล้วเสร็จแล้วไอ้แล้วอาจารย์ก่อนจะตายอาจารย์พูดอะไรบ้างบอกนัดทีกินจีไม่เห็นมีอะไรเลยเพราะงั้น ลูกศิษย์ก็เลยไม่มีใครสนใจสนใจแต่งงานศพอาจารย์บอกลูกศิษย์หัวหน้าผู้ใหญ่ก็บอกว่าไม่ได้แปลว่าไม่ได้อะไรคือแปลว่าท่านเนี่ยเข้าฌานที่สามารถเข้าฌานที่เรียกว่าหน่อยหนึ่งก็ไม่มีจิตเยกสิกแม้แต่หน่อยก็ไม่มีนัตถิกินจินัตถิกินจินี่นะท่านหมายว่าอย่างนั้นลูกศิษย์ทั้งหลายไม่เชื่อหรอกเห็นไม่เห็นอาจารย์ว่าอาจารย์บอกไม่มีอะไรเนี่ยนะอาจารย์ก็บอกว่าไม่มีอะไรอ่ะ แต่แล้วก็เขบอกไม่ใช่อย่างนั้นก็ถกกันอยู่นานเนี่ยนะพรหมคือพระโพธิสัตว์ก็ลงมาก็ลงมาบอกว่าเนี่ยคนโง่นะมีต้องพันหนึ่งก็ไม่สําเร็จประโยชน์อะไรผู้ฉลาดมีคนเดียวก็แก้ปัญหาได้สําเร็จนะนะก็คือเหมือนกับว่าเอาคนพันคนตาบอดทั้งหมดมาอยู่รวมกันเพื่อจะได้ช่วยกันดูสีจะเห็นไหมคนตาดีคนเดียวประเสริฐกว่าอย่างนั้นคนหูหนวกมาสักแสนคนมาช่วยกันฟังดูที่เขาว่าอะไรกันนะ คนหูดีคนเดียวก็พอเอาคนหูดีมาคนเดียวก็พอแล้วใช่ไหมัมนสรุปว่ากรรมใดหนักนะกรรมนั้นจะให้ผลนะหนักที่สุดกรรมนั้นจะให้ผลทีนี้อย่างนั้นเหมือนกันถ้ากรรมใดบรรดากรรมที่ทำไว้ไม่มากและกรรมที่ทําไว้ไม่มากทั้งหลาย กรรมใดเป็นกรรมที่บุคคลทําไว้มากถ้าไม่มีถ้าไม่มีครุกรรมนะพะหุกรรมจะให้ผลคือหมายคำว่ากรรมใดทําไว้มากกรรมนั้นจะให้ผลเช่นว่ามากด้วยศีลศีลจะนําเกิดถ้ามากด้วยทุศีลไอความทูศีลจะนําเกิดงั้นเราก็มาทบทวนเอานะเอ้ยเนี่ยถ้ากรรมทางปากนําเกิดเนี่ยนะพูดอะไรไว้มากที่สุดในงานในชีวิตนี้นนะคําประเภทนั้นนะ่าจะนําเกิด เขาต้องพูดคําว่าพระพุทธเจ้าพูดอิติปิโสเป็นต้นนับว่าให้มากๆากนะจะได้เลือกเอากรรมประเภทนี้นําเกิดสาสรยายพุทธคุณเป็นต้นนัาให้มากๆกรรมเหล่านี้จะได้นําเกิดถ้าด่าคนอื่นไว้มากล่ะถ้าตัวนั้นนําเกิดได้ยุ่งแน่สรุปว่าทูศีลถ้าโดยปกติถ้าทูศีลทูศีลจะนําเกิดถ้ามีปกติโดยมากมีศีลศีลจะนําเกิดพันกรรมตัวไหนมีมากกว่ากรรมตัวนั้นจะนําเกิดอันนี้เรียกว่าผงุระกรรม กรรมที่บุคคลระลึกได้ในเวลาใกล้ตายชื่อว่าอาสันนกรรมจริงอยู่คนใกล้จะตายอาจระลึกถึงกรรมใดไ ด, ได้เขาย่อมอุบัติคือเกิดเพราะกรรมนั้นนั่นแหละใช่ไหมก่อนจะตายนึกถึงตานาติบา ท, ที่เคยทำไปนรกสันนกรรมเนี่ยนะนึกถึงอาทินนาทานนึกถึงกามีสุเมชฌารยนผนัเมริกานี่ยนะทำบุญเยอะๆไปหมดเลยก่อนตายนึกถึงมูสาวาตไปหลอกพระเจ้าประเสรนะิฐเอาไว้ครั้งหนึ่ง ตายแล้วเกิดในนรกตั้งเจ็วันเนี่ยนะดีว่าเจ็วันมนุษย์ถ้าเจ็ดวันนรกยุ่งมากคือก็ก่อนตายไปนึกถึงบาปเพื่หน่อยเดียวที่ไปทําไปนะก็คือคนที่แกล้งสามีเนี่ยก็มีเป็นปกติใช่ไหมนนะหลอกบ้างจริงบ้างเพศบ้งางก็ว่ากันไปเนี่ยนะทีนี้ไปได้เป็นนึกได้ก่อนตายเข้าเด๋อดร้อนเลยคือคือประเภทนี้อั้มสามีเล่นนะ่ะนะประเภทเนี้ยก็ถือว่าเป็นมูสาวาตเหมือนกันนะอั้มก็หลอกกันแหละหลอกเล่นนะ่ะนะ เป็นนึกได้ก่อนตายเอเราพูดไม่จริงนะวันนั้นเนี่ยเนี่ยพระพุทธเจ้า ก, ก็รู้นะว่าเราพูดไม่จริงพระอรหันตสาวกก็รู้นะว่าเราพูดไม่จริงเขาคิดย้ำอยู่ตรงนั้นเลยนะบุญทําำมาเยอะแยะนึกไม่ได้นึกได้แต่บาปตัวนั้นบาปตัวนั้นเลยนําเกิดในนรกเจดวันดีว่าทำบุญไว้มากนะอยู่แค่นรกเจวันก็นึกถึงบุญก็เลยปฏิสนธิในเทวดาในดุสิตต่อก็เลยไปแค่ชั่วคราวแค่เจ็ดวันเองนะ เพราะนใครนึกถึงอะไรได้ก่อนจะตายตัวนั้นจะพาไปนี่ก็น่าหนักใจเหมือนกันนะใครที่ธรามะล่วงอกุศลกรรมบดไว้เยอะๆเนี่ยนะคือเราสังเกตดูเนี่ยนะถามว่าเออฉันจะไม่ยอมหรอกยังไงฉันก็ไม่คิดถึงบาปที่ตัวเองทำํำไวเด็ดขาดก่อนตายสังเกตดูตอนฝันดูสิเ อ, อ้าฝันนึกอะไรบ้างอะนะสังเกตดูอยูๆ่ๆมันเป็นนึกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะเช่นบางคนเคยเนี่ยของมาเคยฆ่าปลาเนะี่ยบางทียังเมื่อก่อนยังเคยฝันว่าฆ่าปลาเลยนะ แสดงว่านั่นแสดงว่าเราสั่งสมอุปนิสัยตัวนั้นไอ้ตัวนั้นนําเกิดได้นะจุติช่วงนั้นแล้วก็กรรมที่ได้ฆ่าปลานั้นนำเกิดอย่างเงี้ยฉะนั้นใครทําอะไรไว้สังเกต ด, ดูจากฝันเอาก็แล้วกันเนี่ยจะดูได้พยากรณ์ตัวเองได้ว่าควรจะไปไหนดีเออถ้ากลางคืนฝันบูชาแต่พระเจดีศาทายแต่พุทธคุณใคร อ, อย่างชั่วนหน่อยแต่ว่าฝันแบบนี้นา น, านทีหนึ่งนะโดยมากฝันตรงกันข้ามมดเลยอย่างนี้เะฉะนั้นถ้าฟังถ้าฝันว่าทุศีลบ่อยเนี่ยนะอันนี้ก็ระวังให้ดีนะ เพราะว่าอาวายไม่ได้ปิดอะไรเลยประตูนี้มันใหญ่โตเหลือเกินเลยนะนเพราะฉะนั้นสรุปว่านึกถึงกรรมตัวใดก่อนตายกรรมตัวนั้นจะนำเกิดนะนึกถึงบุญบุญก็นำเกิดนึกถึงบาปก็บาปก็นำเกิดถ้านึกถึงข้าวอะ่ะนึกถึงข้าวอะไรยังนำเกิดก็ น, นึกถึงข้าวอตอนนั้นอนะ่ะตอนไหนตอนขโมยข้าวหรือตอนลักข้าวเ ก, กินหรือว่าตอนเอาข้าวใส ทำบุญให้พ่อให้แม่เป็นต้นเนี่ยนะหรือแล้วแต่แล้วแต่นึกกันไมันก็ก็กรรมกรรมเกี่ยวกับข้าวนี่แหละเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเป็นอารมณ์ของกรรมใช่ไหมเป็นที่ตั้งแห่งการทํากรรมมันเมื่อทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งการทํากรรมเราละเลิกได้ไหมว่าชีวิตเราเนี่ยคือคนคนเราเนี่ยนะพอมาระดับหนึ่งก่อนตายเนี่ยโดยมากกะทึกถึงความหลังเลยเพราะฉะนั้นเขาว่าคนแก่เนี่ชอบคิดถึงความหลังจะเล่าเรื่องใน อุ้ยหลานคนไหนนะถ้ามาฟังประวัติตัวเองบ้างนะอุ้ยหลานคนนั้นเป็นคนโปรดเลยแหละนะขอให้มาฟังหน่อยเธอเนี่ยนะหลานเอ้ยสมัยนั้นเนี่ยนะพวกนี้จะชอบเล่าความหลังให้หลานฟังเพราะฉะนั้นก็เล่าถึงอันไหนบ้างนะคนนั้นแหละระวังให้ดีนะ่องเสพตัวนั้นเนี่ยมากนะไปประทับใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ถ้าประทับใจบุญก็กดีแล้วถ้าประทับใจบาปล่ะอะไรจะเกิดขึ้นอันตรายมากเสียงมาก มันถ้ามีอะไรก็รีบเล่านะที่เหลือจะได้เป็นนึกพุทธคุณให้มากๆานะแต่ว่าไม่ต้องเล่าดีที่สุดไปเจริญพุทธคุณเถอนะเนี่ยนะแต่ถ้าคนจะพิจารณาริยศาส์นี้ต้องเอามาวิจัยหมดแต่ถ้าหากว่าจะคิดว่าเชาติหน้าขอให้มสวรรค์เถอะอะไรอะไรเอาสวรรค์ไว้ก่อนอย่างเงี้ย น, นะก็พยายามนึกแต่ถึงพระพุทธเจ้าเขาไว้เนี่ยอย่าไปนึกถึงคนพ่านทั้งหลายเดี๋ยวกันเดี๋ยวเอาตัวไม่รอดนะ บรรตัวอาสัญกรรมเนี่ยหมายถึงว่ากรรมที่นึกถึงก่อนตายไม่ใช่กรรมที่ทําเวลาตายก็คนจะตายมันทําอะไรได้บ้างนะวิธีจิตสุดท้ายจะไปทําอะไรได้กัสะเ ง, งาะสะแงกังององกังแงงเต็มทีแล้วนะออกซิเจนเต็มไปหมดเลยจะไปทำอะไรได้นะปากก็เสียบจมูกก็เสียบนี่นะสายยางเตะไปหมดเลยนะเส้นน้าเกลือทั้งหลายเส้นอย่างเง้ยจะไปทำกรรมอะไรได้ก็ได้นึกถึงแต่ความหลังนั้นถ้านึกถึงความหลังนึกถึงอะไรล่ะ นึกถึงตัวใดตัวนั้นนาเกิดอันนี้แหละเรียกว่าอาสันกรรมอาสักรรมสาธุขอยนึกถึงสิ่งที่ดีๆเข้าไว้นึกถึงศีนที่ได้รักษานึกถึงพุทธคุณที่ได้เจริญนึกถึงพระเจดีที่ไปกราบไปไหว้เป็นต้นเนี่ยนะฮะนี่นดีส่วนกรรมที่พ้นจากกรรมทั้งสามอย่าง เหล่านี้ได้การซ่องเสพอยู่บ่อยๆเชื่อว่ากรตัตาวาปนกรรมดีกาท่านบอกว่ากระตัตาวาปนกรรมคือกรรมที่ทําไว้ในอดีตชาติ น, นะไม่ใช่กรรมเล็กกรรมน้อยนกระตัตาวาปนกรรมคือกรรมที่ทําไว้อดีตชาติกระตัตาวาปนกรรมนั่นแหละคืออภราระเจตนาพูดแบบสํานวนกรรมชุดแรกก็คือถ้าอุปชาเวทนียกรรมไม่นําเกิด อัปราประเจตนาจะมานําเกิดเนี่ยนะอัปราประเวชนียกรรมเมื่อเมื่อแสนโกรธกลับที่แล้วก็มานําเกิดได้มานําเกิดได้เพราะฉะนั้นตัวอัปราประเวชนียกรรมเนี่ยนะอันตรายมากเพราะฉะนั้นเมื่อสมมติว่าชาตินี้เกิดมาไม่เคยทําบาปเลยเนี่ยนะตายแล้วตกนรกเฉยเลยนะังไงยุติธรรมไหมอะไรยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรม เนี่ยนะถ้ามองตามกรรมนี่ก็สมควรแล้วเนี่ยนะเพราะอดีตนี่ไม่ใช่คนดีมาจากไหนอดีตชาติใช่ไหมเพราะนั้นกรรมที่เคยทําไวในอดีตชาตินี่จึงนําเกิดเนี่ยก็อย่างเขามีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่าอะไรนะภาวะเศรษฐีภาวะเศรษฐีนี่เป็นเศรษฐีใจบุญสุนทานุมีเมตตาทําบุญเยอะมากตายจากชาติเศรษฐีนั้นไปเกิดเป็นขี้ข้านะพูดแบบภาษาหนึ่งขี้ข้าฆาท่า ทำไมจึงเกิดเป็นเป็นธาตุอ่ะก็บอกอดีตชาติเคยไปว่าพระพิสุรูปหนึ่งว่าเป็นธาตุนะไปด่าเขาว่าเป็นธาตุเนั้นใครที่ไปด่าใครแสบแสบเอาไว้นะระวังเป็นซะเองล่ะเห็นไหมไปด่าอะไรที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เนี่ยนะเดี๋ยวรับเดี๋ยวจะเข้าเนื้อทั้งหมดนะจะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นพ่อมาหาจำเริญแม่มาหาจำเริญขอให้เจริญให้เจริญ น, นะเนี่ยนะโกรธใครก็บอกขอให้คุณมีความสุขนะมันจะได้เข้าเนื้อใช่ไหมเข้าเนื้ออย่างไงดีไหม ขอให้คุณมีความสุขะนะคือในโลกนี้นะถ้าจะเปรียบอุปมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าอยู่ในมีอะไรนะอยู่ในกระเพาะฟองไข่ะนะถ้าทำอะไรมันสะท้อนกลับมาหาตัวหมดอ่ะอนะไม่เข้าเขาหรอกเข้าเราในแหละเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะเข้าตัวหมดเลยเพราะฉะนั้นสะท้อนในสิ่งที่ดีๆออกไปมันจะได้สะท้อนสิ่งดีเข้ามาถ้าสะท้อนสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะไอ้สิ่งนั้นแหะมันจะกลับเข้ามาแล้วมันใหญ่กว่าเดิมด้วยเนี่นะมันก็ต้องระวังมากกรรมใดที่ทํากับบุคคลอื่นเนี่ยนะจะต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะให้ควรทํากรรมที่ดีกับเขาเพราะไม่งั้นถ้าสะท้อนกลับมาแล้วเขาทําให้เราหรือไม่ใช่เจตนาที่ทํานั่นแหละ น, นะเพราะว่ากรรมทั้งหลายเป็นสมบัติเฉพาะตัวใช่ไหมเป็นของเฉพาะบุคคลเป็นของรายคนไปอันนี้ก็ตัตาวาปณ ะ, ะกรรมเนี่นะไอ้กัตาตาวาปณ ะ, ะกรรมนี่แหละบางทีอย่างที่เคยได้ยินในชาดกนั้นนําเกิด500รอยชาติติดกันอย่างเงี้ยนะ น, นะกรรมคําทําครั้งเดียวให้ผลนําเกิด500รอชาติ หรือที่ที่เขาเรียกว่ากรรมที่นําเกิดชเช่นคนหนึ่งเขาบอกว่าฆ่าแพะครั้งเดียวเนี่ยนะก็ตายมาเกิดเป็นแพ้ห้าร้อชาติถูกเขาฆ่าห้าร้อยชาติเนี่ยนะก็น่นกรรมที่ทําไว้ครั้งเดียวให้ผลซ้ําๆเป็น500ร้ชาติอันนี้แหละเป็นลักษณะของกตัถตาวาปะกรรมหรือทําบุญครั้งเดียวแล้วให้ผลเป็นกลับเป็นกลับเนี่ยนะในในในอัปทานเป็นต้นอันนั้นก็เป็นลักษณะของกตัถตาวาปะกรรมนันะ พวกกระตาตาวาปณกรรมเนี่ยนะอะบางทีเนี่ยเช่น <c oughs> อลาตาเสนาบดีเนี่ยเขาเลือกชาติได้ว่าอดีตชาติเนี่ยนะเขาเนี่ยคนเลวมากเลยฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายทำบาปอยู่ตลอดชาติบาปไม่มีจริงหรอกชาติที่แล้วทำชั่วทั้งชาติพ่อชาตินี้เกิดในตระกูลดีเป็นมหาเสนาบดีสมัยใหม่เขาเรียกตำแหน่งนายกเนี่ยนะแต่ถ้าเสนาบดีทั่วไปก็หมายถึง ถึงรัฐมนตรีเนี่ยนะเช่นเสนาบดีคลังเนี่ยก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง น, นะไอ้คำว่าเสนาบดีนี่เป็นชื่อของรัฐมนตรีแต่ถ้ามหาเสนาบดีก็เป็นชื่อของนายกเพราะผู้นํารัฐมนตรีครั้งหนึ่งเลยเขบอกว่าโอ้ยไม่ใช่หรอกที่ชาติที่แล้วทําบาปทั้งชาติมาชาตินี้เกิดเป็นตระกูลเสนาบดีเพราะฉะนั้นบาปจึงไม่มีอยู่จริง ก็บอกว่าจริงอยู่อดีตชาติเข้าไปบูชาพระเจดีย์เอาไว้เพราะกรรมที่บูชาพระเจดีย์นี่แหละทาให้มาเกิดเป็นเป็นมหาเศรษฐีเนี่นะเป็นมหาเศรษฐีก็ลืมชาติกําเนิดของตัวเองลืมว่าตัวได้ทําบุญไว้และเลิกได้ไม่ตลอดสายผู้กรตั้ววาปะนะกรรมเนี่ยเป็นตัวที่นับว่าเสียงมากมันทําบุญมากก็ไม่ได้แปลว่าจะไปดีได้เสมอไปเพราะฉะนั้นท่านจึงเน้นให้ปฏิบัติเพื่อความเป็น พระโสดาบันถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วก็ปิดอบายได้โดยประการทั้งปวงนั้นการศึกษาพระธรรมของเราทั้งหลายก็ตั้งอธยาสายเพื่อความเป็นพระโสดาบันกันนะจะได้กรรมนาดีตกระตัตววาปนากรรมจะได้ไม่นำเกิดวันนี้ก็คงจะใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้